ก็ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องพรหมจริยสูตรหรือสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ น, นั้นแปลว่าการประพฤติประเสริฐหรือการมีชีวิตที่ประเสริฐหรือการประพฤติอย่างพรหม เป็นวิธีชีวิตที่พุ่งปฏิบัติขัดเกลาวจิตใจของตนเองให้มีความประนีตจริงๆขึ้นเพราะในยะของความหมายคำว่าพรหมจรรย์ท่านได้สรุ ป, ปรวบรวมไว้เป็นสิบระดับด้วยกันรือจกง่ายสุดไปหายากสุดวันพระอาหารหันต์าเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์ หมายความมาเสร็จภารกิจในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจตัวเองในมุงกลสูตรข้อที่เรียกว่าตักโปรจะประมาจรรยันจะท่านได้แสดงรวบรวมไว้ไไหมายความว่าก็ไปรวบรวมมาจากที่รูะเจ้าทรงสแสดงและทรงใช้คำว่าประมาจมันมีอะไรบ้าง ก็ประการแรกก็คือเริ่มมาจากทานที่แปลว่าการให้มันเกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนาที่มุ่งอนุเคราะห์คนอื่นบ้างหรือมองเห็นโทษของความดีมองเห็นความดีของการให้บ้างหรือจะเกิดขึ้นจากศรัทธาบ้างแล้วก็มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลเหล่านั้น คือการให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ในรัศดาของอัธยาศัยเมตีหรือแนวการสงเคราะห์เพื่อบำบัดความทุกข์ของบุคคลอื่นหรือต้องการบูชาเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองและแสดงความเคารพนับถือต่อบุคคลอื่นการบัตรเหล่านี้ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ประการหนึ่ง ดั เ, เราก็พบในที่บางแห่งก็ทสง์แสดงธรรมะไว่ถยงสามข้อในเรก่องภาษาปริสบัญญัติแล้วก็เริ่มมาจากทานกือการให้เราเป็นสูตรสำเร็จายความว่าการอยู่ร่วมกันของบุคคลภายในสังคมนั้นจะต้องมีการให้มีการรับผู้ให้นั้นก็ต้องกรอบด้วยกุศลแเจตนาผู้รับเองก็ต้องกรอบด้วยกุศลแเจตนา รการต่อไปคืออัปญจายใหม่แปลว่าการประพฤติปฏิบัติ อ, อน้อมถ่อมตนเราบุคคลทั้งหลายเป็นการยอมรับนับถือสถานะของบุคคลดองนั้นให้ความสำคัญแก่ไวของท่านบ้างมให้ความสำคัญแก่ชาติสกุลของท่านบ้าง ให้ความสำคัญแก่คุณธรรมความดีกองท่านบ้างที่ต้นใช้คาว่ากุเลเชิดถาปราจาจิตนังคือพระพุทธดนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่โดยคุณโดยไวัยโดยชาติแต่ในของการปฏิบัตินั้นคือการสร้างอัตฉิยศัยที่ลดละมาณนะคือความตือตัวออกไปเพราะว่า คนรนัลตาเจ้าพระเจ้าทรงแสดงว่าร่างกายนี้อันโครงกระดูกก็เกือบเกือบสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วก็ทาบไว้ด้วยหนังหรืรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นหุ้มไว้ไม่ใช่อราบไว้ด้วยเนื้อหรืรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นแล้วก็หุ้มไว้ด้วยหนังแต่กลายเป็นที่ตั้งของมานะของทิจิเป็นอันมาก อนมานะมันก็เกิดขึ้นในหลายๆเรื่องระจากษตระกูลรูปร่างวิชาความรู้สติปัญญาทรัพย์สินเงินทองสถานะทางสังคมตำแหน่งหนะ้าที่การงานเป็นต้นมันก็เกิดได้เยอะวังการที่ใครก็ตามสามารถแสดงตนอด น, น้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นไดน้แสดงว่าก็มีการลดมานะลงไป มันลดมานะได้มันก็ลดอติมานะคือการดูหมินบุคคลอื่นได้ดยการตีเสมอบุคคลอื่นได้ในภาคปฏิบัติจริงๆที่ทรงแสดงแก่พระมากระสปะทรงแสดงให้บุคคลมีความเคารพอ่อนน้อมต่อบุคคลทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นปานกลางคือรุ่นราวกับเดียวกับเราแล้วก็เป็น เด็กรเราก็แสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ลดตรงนี้บางทีก็ฝึกใจให้เราได้มีความคิดว่าเรานั้นเหมืองกับผ้าเช็ดเท้าใครจะเช็ดอะไรก็สร้างเขาก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้าย บางทีก็ฝึกปรือคิดตัวเองว่าเหมือนโคถึกแต่ไม่มีเขาคือไปสู้รบอะไรกับใครก็ไม่ได้แต่โคเขาหักคือไม่ไม่ต้องไปสู้รบอะไรกับใครเป็นวิธีการฝึกจิตในลดละมานะตรงนี้และบางครั้งก็มองในความเป็นผู้เสมอกันในด้านต่างๆไปช่วยไปช่วยสามารถลดมานะได้ ระดับที่เปรียไปมองในฐานะพี่เป็นญาติกันญาติระดับสายโลหิตญาติระดับความคุ้นเคยสนิทสนมญาติระดับที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วจะดึงมองในแง่ของสภาวธรรมแต่และชีวิตก็ไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครเหนือใครก็สักว่์วาทศัท์แต่นั้นเด็ ดินน้ำลงไปอากาศมาเกาะกลุ่มไปชุมกันก็สมมติบัญญัติกันขึ้นมาแต่แท้ที่จริงมันคือธาตเป็นวิธีการฝึกตัวเห็นว่าตรงนี้ก็อยู่ในตั้งแต่พวกบุญยักกิริยาวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการมาเป็นบุญก็ถือว่าอัประจายจะนำใหม่และทรงแสดงว่าเป็นทางความทางแห่งความเจริญด้วยจตุ ระพิตพอดทั้งสี่ประการนะคืออายุวันสุขที่สังเกตไว้ในคาถาอนโมทนาว่าอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุฒาประจาจิโนย จ, จตารโอธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพาลังได้ยินบ่อยๆก็ทรงแสดงว่าพรทั้งสี่ประการคืออายุวัณสุขผะละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนมีการอภิวาสกราบไวหวต่อ บ, บุคคลอื่นก็เป็นตริมงคลในมงคลระสูตรว่าไว้ตั้งสองข้อนะฮะตรงนี้คือว่าไว้ทั้งคาระวะทั้งนิวาตะคาระวะก็คือการเคารพให้ความสำคัญแก่บุคคลอื่นนิวาตะก็คือปรับตัวเองคือประพฤติตอ่อนน้ อ, นอมถ่อมตนต่อ บ, บุคคลทั้งหล ประการต่อไปนั่นคือสถารสันโดษในแก่ผู้ชายที่ยินดีเฉพาะปัญญาของตัวเองเป็นการควบคุมจิตใจของตัวเองเอาไว้ทั้งระดับศีลและระดับธรรมระดับศีลก็คืองดเว้นสีนข้อกรมเมระดับธรรมะก็คือไม่นอกใจคู่ครองระดับสภาวธรรมก็คือคุม คุมความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในใจเอาไว้ไม่รู้อำนาจแก่รมเดานั้นเป็นผู้ชายท่านเรียกว่าสถาลสันโดร์ถ้าเป็นผู้หญิงท่านเรียกว่าปฏิวัติปฏิวัติก็คือพักดียินดีในสามีของตัวเองกต่มาความตัวนี้สองข้อนะจริงี่ย เพียงแต่ว่าเรียกต่างกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ขึ้นไปไปถึงสี่ห้าสี่ห้านี่ชักยากขึ้นเน่ยน ะ, ะการในวัดชักยากขึ้นกรอบขอบคายในการควบคุมการระมัดระวังในความประดิษขึ้นคืออย่างที่บอกท่านทั้งหลายไปแล้วว่าสี่ห้าเนี่ยมันครอบโลก เดียวนี้มีคำใหม่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันวันนี้ไม่ใช่คำใหม่แล้วเอาแต่เอามาใช้ในภาษาม่ที่จะนำไปสู่การถกเฉียงต่อไปคือคำว่าโลกรวัชะราแปล ก, กันว่ามีโทษทางโลกแต่มาพอใจที่จะแปลว่ามีโทษทั่วโลกเพราะโทษทางโลกหนึ่งฟังไม่เข้าใจไม่รู้หมายความไรอย่างไง คือมหมายความว่าการกระทาอะไรก็ตามที่ใครก็ตามทหรือว่าผิดนะการกระทานั้นเรียกว่าโลกวัชะคือมีโทษทั่วทั้งโลกไม่เจาะจงเพศของบุคคลไม่เจาะจงศาสนาไม่เจาะจงสถานะทำแล้วก็ผิดนั้นตรงนี้ในบาลีนี่พุทธเจ้าเรียกว่ากรรมกิเลส หมายความว่าเป็นการกระทําด้วยจิตที่ขุดมัวเศร้ามองขุดมัวเศ้ามองด้วยอะไรเช่นว่าฆ่าอย่างเนี้ยมันก็ฆ่าด้วยความโลภก็มีโกรธก็มีหลงก็มีะรักทรัพย์รักทรัพย์ด้วยความโลภก็มีรักทรัพย์ด้วยความโกรธก็มีนะประพฤติผิดในทางประเวณีประพฤติผิดด้วยความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีนะะโกหกก็เบื่อการเราจะเห็นว่ากิเลสเยอะเลยเกินทั้งโลภกับหลง อย่างน้อยก็สองข้อนะฮะโลกก็โกรธโลกกบหลงโลกรธก็หลงวันทีก็ต่อกันร่งสามข้อเลยโลกโกรธหลงการปฏิบัติที่ผิดเป็นสากลมันก็มีสี่เรื่องให ญ, ใหญ่เป็นการประทุตรร้ายต่อร่างกายประตุตร้ายต่อทรัพย์ประทุ้ร้ายต่อคู่ครองประทุ้ร้ายต่อความเป็นจริงความบิดเบือนความจริงทั้งหลายโกหกนะฮะ เพื่อนศีลห้าในแนวองการปฏิบัติจึงถือว่าเป็นพรหมจรรย์แล้วก็เป็นอาชีพรหมจรรย์ก็ถือเบื้องต้นเพร่อศีลจะนับอีกสักกี่ล้านข้อก็ตามแต่มันเชื่อมจากตัวนี้ยเชื่อมจากศีลห้าไปเพียงแต่ว่ามันประณีตขึ้นแต่นั้นยกตัวอย่างอาินนาทานสําหรับท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องรักเขานะฮะจึงถือเป็นอาตินนาทานแต่พระไม่ พระไม่ชะนับอย่างนั้นพระเห็นของเขาแล้วเราเกิดอยากได้เนี่ยมองด้วยความอยากได้เนี่ยยังไม่จับนะะยังไม่ปรับแต่พอจับด้วยความอยากได้เนี่ยเอาแล้วปรับประบาทแล้วยังไม่ถึงประราชิชตรงนี้ถ้าจับเฉยๆนะถ้าจับจนของเขาขยับเนี่ยท่านปรับประบาทจับรูปเฉยๆนี่ยการปรับทุกข์จับของขยับเนี่ยปรับทุนทรภัยนะฮะ แล้วของขยื่นประปรายจิกเลยเห็นไหมนี้คืออธินาทานเป็นอธินาทานเหมือนกันแต่ไม่ใช่อธินาทานของโยมโยมไม่ถึงกับอธินาทา น, นขนาดนั้นแต่พระเป็นแล้ ว, สวแสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่ฝึกปรือจากจุดตรงศีลนี้เองขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อย จนถึงกับเพ่งเล็งคือมองด้วยความอยากได้มองด้วยความมาคาดพยาบาชนก็ปรับบติแล้วสำหรับพระนะฮะพระปรั บ, รบัติแล้วสำหรับโยมยังไม่ปรับร้ศีลภิกษุณีสามรอยสิบเอดข้อหรือศีลพระสองร้อยี่สิข้อตีว่าจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วขยายกันไปอย่างเงี้ยนะขยายกันไปอย่างนี้นะ มาอย่างนึกขำสี่ขาบทภิกษุณีชื่อว่าปฏิเทสนิยะแปดข้อนะเรื่องกินทั้งนั้นเลยทั้งแปดข้อกินจุบกินจิบกินเล็กกินน้อยกินกินเรื่อยฮะกลายกลายเป็นเรื่องกินล้วนๆก็ไม่มีอะไรคือลู้อานาจแก่ความโลภในอาหาราการการรู้จักประมาณในการริโภคอาหารแต่นั้นเดีวตรงนี้ที่จริงแล้วเขาเรียกว่าเป็นปัญญเตวชา หมายความมีโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยปัญญ ก, การจะเข้าใจตรงนี้เราดูที่ศินแปดแล้วจะชัดมากคนระับนแปดนั้นท่านจะเห็นว่าสี่ข้อแรกเนี่ยเรียกวโล ก, กวัชชาคือมีโทษทั่วโลกนอกนั้นไม่ใช่นะครับสินข้อสุราเนะี่ยมีเฉพาะในพระวินัยนี้แต่นั้นเองคนะในพระพุทธ ศ, ศาสนาเราแต่นั้นเองกัาศาสนาอิสลามนะฮศาสนาอื่นก็ไม่ได้ว่าก็ดื่มก็ไม่ว่าอะไร บางทีนักบวชก็ดื่มเหล้าอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยก็ดื่มพิธีกรรมต่งตงางๆก็ใช้เหล้าใช้เหล้าเองมดุดเพราะการกินข้าวเย็นการดูพระนากับร้องพระคมดนตรีอะไรๆนี่มันที่จริงเครียกปัญนนติวัชระเพราะนัถ้าพระไปดูตรงนี้เขาไม่ได้ถือเป็นโล ก, กวัชระนะในแง่กันจริงๆเนะี่ยเรียกเป็นปัญติวัชระมีโทษตามบทบัญญัติแต่ว่าไอ้สีข้อแรกที่ว่าตะกี้มันเป็นอันสองอย่าง หมายความปันนติวัชะก็เป็นโทตําบดปัญญัาก็เป็ น, ปญญกกปนแล้วก็โลกวัชะก็เป็นเป็นสองอย่างแต่ถ้ากินเข้าวเย็นนี่เป็นอย่างเดียวนะเป็นเฉพาะปัณติวัชร์เดียเป็นเฉพาะกลุ่มคนเท่า น, นั้นเองหมายความกลุ่มคนในรักษาศีลขอ้อนี้ท่านถึงเรียกศีลระดับนี้ว่าเป็นพรหมจันท์หมายความเป็นการประพฤติประเสริฐได้กรอบมันมันมั น, มนตั้งตั้งแต่ศีลห้ามา เราเจนว่าศีลห้าเห็นว่าแยกเป็นสถานสันโดษกับปฏิวัติที่แยกไปเลยว่าถือว่าเป็นพรหมจรรย์โดยที่ที่เคยศึกษาในเรื่องเรื่องวิมานวัตถุเรื่องเปรตวัตถุเดี๋ยวคนตายเป็นเปรตเพราะว่านอกใจกันแล้วก็ตายเป็นเทพบุตรเป็นเทพติดาเพราะว่าชื่อตรงต่อกันมันก็กลายเป็นพรหมจรรย์ หรือถ้าเรามองเชื่อมไปที่อื่นแล้วจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นการสรุปองค์ธรรมไว้แล้วตัวอย่างนั้นที่จริงก็แสดงไว้ในที่อื่นแล้วจากนั้นก็เป็นศีแปดสีแปดก็มายความมุ่เพิ่มขึ้นอีกสี่ข้อแต่เรานับสามข้อนะฮะเพราะว่าข้อนัตจกีกัมมาลาเขาไปรวมกันก็สรุปว่า สี่ข้อแรกเป็นเป็นทั้งสองอย่างมีโทษทางดางโลกแล้วก็มีโทษทางบทบัญญัติของศาสนาสี่ข้อหลังมีโทษเฉพาะบทบัญญัติทางศาสนามากว่าแม้เราจะเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รักษาศี 8, แลแปดเราก็ไม่ผิดอะไรมันผิดเฉพาะคนรักษาศีลแปดรัษาศีลอุโบสถขึ้นไปนะฮะจากสามเณรจากจากอุปสมุปอุปสมุปอุบาสิกาที่รักษาศีลแปดแล้วก็สามเณรแล้วภิกษุ สามมณีรีนานสิกะมานานานสิกะมานาก็มีหกข้อข้อวิกานานสิกะมาลาดูครามดกับรองได้ห้านเฉพาะข้อวิกาแต่ว่าท่านต้องถือเคร่งมากสองปีเนี่ยละเมิดข้อเดียวไม่ได้เลยถ้าละเมิดนับหนึ่งใหม่เลยเคร่งมากเขาก็เป็นศีลผู้หญิงที่ต้องการเป็นภิกษุณีเริ่มนับตอนอายุท่านสิบแปดปี สิบแปดเก้ายี่สิบนะฮะยี่สิปีเต็มก็รักษาศีลตัวเนี้ยสองปีขาดไม่ได้แต่ทั้งหมดท่านจะเห็นว่าทั้งหมดก็คือศีลภูมิจันทร์แต่ว่ามีโทษสากลกับมีโทษเฉพาะกลุ่มผู้ดงง่ายอย่างนี้นก็ได้นะฮะโลกวัชะก็คือโทษสากลแล้วก็ปณติวัชะคือโทษเฉพาะกลุ่มเป็นความผิดเฉพาะกลุ่ม มันเหมือนวินยัยแต่ทาหารวินยัยตำรวจจัญญาบันของแพทย์อะไร่าไรเนี่ยมันก็เฉพาะกลุ่มเขาคนทั่วไปไม่จำเป็นจะต้องผิดตามนั้นเสมอไปบางข้อก็สะกลบางข้อก็เฉพาะกลุ่มประการต่อไปก็คือสีแปดนะฮะสีห้าหรือสีแปดแล้วสัจจะเห็นนะมแยกสีลมาอีกตัวหนึ่งสีหนะ้าเนี่ยแยกมาอีกข้อนึงสัจจะข้อเดียว เป็นพรหมจันทร์แต่อย่าลืมว่าสัจจะที่จริงรักษายากนะฮะปัญหาใหญ่ที่เราปฏิบัติไม่ค่อยได้ก็คือเรื่องสัจจะส่วนมากแล้วมักจะแก้ต่างให้แก่ตัวเองได้ตั้งใจจะนั่งสมาธิยี่สิบนาทีก็ได้สิบนาทีเอเมื่อยเลแล้ววันนี้เรายังเหลือสิบนาทีแต่นั้นเองคือแก้ต่างให้แก่ตัวเองเพราะมัน เป็นจิตสำนึกรับผิดชอบของเ ร, เรารักษาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครว่าอะไรสัจจะมันก็ออกมาหลายหลายแนวอย่างรักษาศีลอย่างเงี้ยเราเห็นว่าที่จริงเราก็มีสัจจะเราก็รักษาศีลได้ไม่ต้องไปนับข้อศีลเราก็ยึดมั่นในสัจจะมันก็กลายเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติกี่ข้อก็ได้สัจจะจึงค่อนข้างรักษายากเป็นสัจจะปฏิญาณโดยเฉพาะสัจจะวาจาเนี่ย แล้วยังมองว่าสังคมเราปัจจุบันเนี่ยโกหกง่ายเหลือเกนินไม่กลัวบาปอะ่ะโกหกเฉยๆหน้าเฉยตาเฉยเลยโกหกจนเราฟังแล้วเราสยองแทนเอ๊ะพวกนี้ตายไปเกิดเป็นอะไรกันไปวะทำไมมึงโกหกกันง่ายเลยแล้วบางทีโกหกเป็นความเสียหายแก ค, คนอื่นแกกโกหกได้หน้าเฉยตาเฉยซึ่งอันตรายมากนะเอ็มุสาวาตเนี่ยพระเจ้าทรงดแสดงว่าคนโกหกได้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะทําบาปอย่างอื่นไม่ได้ บากอย่างอื่ได้ทั้งหมดพวกกหกจึงเป็นบาปที่น่ากลัวและต้องวางมาเป็นสัจจะเห็นไหมคารวะศรธรรมก็ขึ้นที่สัจจะเลยขึ้นไวยที่สัจจะอธิษฐานธรรมทั้งทําเป็นเรือนใจก็เน้นที่ตัวสัจจะเพราะว่าสัจจะมันจะมีในรูปของสัตยาธิฐานมันตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่ม่มีสกิบยาณใดๆหรอกเราก็ทําก็หรอก อางทีก็เป็นสั จ, จวาจารับปากตกลงกับบุคคลนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไวเดี๋ยว ร, รักษาได้ทําได้ถ้าเจตนาจะโกหกไว้แต่เดิมนะฮะก็ถือว่าผิดหนักแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ในตอนหลังคือไม่ได้เจตนาไว้เดิมก็ก็ถือว่าผิดสำนวนบาลีแต่เนี่ยพอปฏิสวะทุกบทคือผิดเพราะไปรับคำเข้าแล้วเกิดทําไม่ได้ วิธีปฏิบัติท่านจึงถือว่าถ้าทำไม่ได้อย่าปฏิบัติไม่ใช่อย่าไปให้สัจจะปฏิเป็นสัจจะปฏิญาสัจจปฏิญญาสัจจาทิศฐานสัจ จ, จ, จ, จวาจาซึ่งแต่ละอย่างเน้นยิ่งยากออโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิญาเป็นสัจในแนวของสัจจวาจาท่านไม่ได้เน้นลึกซึ้งท่านเน้นแต่เพียงว่า เราเห็นมาอย่างไงล่ะเรารู้มาอย่างไงเราทราบมาอย่างไงเราคิดอย่างไงเราก็พูดไปตามนั้นแล้วบอกว่านี่คือความคิดนะผิดถูกไม่รู้เราก็คิดอย่างเงี้ยนี่เราได้ยินมาอย่างเงี้ยเราได้ยินเท่านี้แต่ถูกผิดเราไม่รู้เพียงแต่ว่าเราได้ยินมาอย่างนี้เราได้ทราบมาอย่างนี้เราได้เห็นมาอย่างนี้แต่จริงเท็จยังไงเราไม่รู้แต่ว่าจริงๆตรงนี้เราจะพูดกับสัมพันธ์กับกาลเทศะ หมายความว่าในเวลานั้นนันสถานที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นได้ไอีกรานหนึ่งสถานที่หนึ่งเราไม่รู้เราไม่รับผิดชอบแนวตรงนี้ท่านจะไปสัมพันธ์กับกาลาเทศะเมื่อวานในประชุมสภามหาวิทยาลัยก็ได้ความรู้ใหม่ท่านอนดีตแลนซี อ, นอนเนกซึ่เป็นกรรมการผู้สมคุณอาวุธท่านบอกว่าเราจะเขียนสมมติจะเขียนอำเภอเมือง อยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแกบอกเขียนเมืองเฉยเฉยไม่ได้นะเขียนอำเภอเมืองเฉยเยไม่ได้ต้องเขียนเต็มชื่อเลยอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออเราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้มาใท่ก็เขียนอย่างงี้ไม่เคยสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่ชื่อเต็มเนี่ยให้เปร์ยาหน่อยไว้แต่เป็งั้นถือว่ไม่ถูกนี่ก็แสดงให้เห็นว่า เป็นการสื่อสารที่มุ่งให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ยืนยันสถานะตรงนั้นว่าหมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอาเภอเมืองอำเภอเมืองก็มีตั้งเจ็ดจุดกว่าเมืองไงนะะมันก็ต้องเอาให้ได้อาเภอเมืองอะไรให้ชัดเจนต้องการจะสื่อสารให้ชัดแล้วไม่เกิดปัญหาในโอกาสต่อไปว่าเอ๊คุณหมายถึงอะไรเราก็บอกอาเภอเมืองเนี่ยอาเภอเมืองสิงห์บุรีเลย จังหวัดสิงห์บุรีเน้นไปอีกอทั้งอำเภอทั้งจังหวัดก็มองเห็นว่าเอออันนี้คือสัจญะที่ต้องการจะเน้นให้ชัดเพื่อเรารับผิดชอบเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นเองเราไม่รับผิดชอบส่งอื่นก็หมายความว่าสัมพันธ์กับเวลาและสถานที่การพูดตรงนี้สัมพันธ์กับเวลาสถานที่ทำนองคล้ายๆกับรายงานลักษณะภูมิอากาศของกรมวุฒินิยมวิทยาก็พูดเวลาสถานที่ไว้ด้วย เวลาหนึ่งสถานที่หนึ่งเราไม่รู้หรือแม้แต่สถานที่หนึ่งแต่อีกเวลาหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็พูดตรงนี้นั่นก็คือแนวของสัจจะวจารับผิดชอบตามประสาสัมผัสแต่ว่าสัจจะปฏิญาณสัจจะปฏิญญาสัตยาธิฐานนี้รับผิดชอบนานวนจึงเป็นปัวพรหมจันทร์ไปเลย เราก็ทรงแสดงผลของสัจจะไว้ในที่ต่างๆนะเช่นว่าสเจนกิตติปกุณติบุคคลจะได้เกียรติก็เพราะสัจจะแสดงว่าถ้ามีสัจจะรักษาสัจจะแล้วก็แสดงเห็นใงความมีสัจจะก็กลายเป็นคนที่มีเกียรติมีสถานะทางสังคมสังคมไทยมาก่อนเน้นตรงนี้มากแต่ในปัจจุบันเรารู้สึกจะไม่ค่อยเน้นกันเท่าไหร่วันเช้าอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างได้ แต่เมื่อก่อนมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเลยนะเรารู้สึกว่าโอ้มันมันหนักแน่นมากเลยท่านพูดอะไรนี่หนักแน่นมากหนักแน่นท่านบอกเหมือนเสาหินมาความพูดอย่างนี้ก็คืออย่างนี้เลยอีกกี่ปีก็อย่างเนี้ยนั่นคือแนวของสัจจะการต่อไปคือพรหมีหารเห็นว่าพรหมิหารนั้นเป็นธรรมะที่เป็นเรือนใจเป็นธรรมะภาคปฏิบัติ แต่วในภาคปฏิบัติจริงๆก็ค่อนข้างใช้กันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีอรบรมประสังฆาธิการสองรุ่นนะฮะมาเพิ่งอบรมเสร็จเมื่อวานก็ลองถามท่านดูถามหลวปพ่มหารดูนั่งคิดก็ตอบกันไม่ค่อยถูกเหมือนกั น, นคือปัญหาเรื่องการใช้เรื่องการใช้มิหารผริหารที่จริงตัวฐานจริงๆคือเมตตา จากการที่เราใช้เมตตานั้นเป็นการสร้างความรู้สึกต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในแง่ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรากะช้คาคำว่าสเพสตาก็เป็นฐานใจตามปกติฐานใจก็อยู่ที่เมตตาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่เราเมตตาเขาประสบปัญหาประสบความทุกข์ก็ต้องเกิดกรุณาไปเกิดเมตตาเฉยๆไม่ได้นะต้องเกิดกรุณาหมายความว่ามุ่งบำบัดมุ่ง ช่วเหลือขจัดปัดเป่าความทุกข์ของเขาการทำอย่างนี้ที่จริงค่อนข้างทำยากเพราะต้องไปขจัดวิหิงสาได้ถ้าเรายังคิดเบียดเบียนอยู่เราก็ทำไม่ได้เพราะงั้นคนที่เราไม่ตาในแสดงเราไม่คิดเบียดเบียนเราจึงกรุณาได้ง่ายแล้วพอเขาประสบความสาเร็จความก้าวหน้าในล า, าบยศสนเสริญสุขเราก็มุจิตา พอเขาประสบผลกรรมตรงเนี้ยคือเรื่องใหญ่ที่เราแกลงมากหมายความคนที่ประสบผลกรรมเนี่ยผลกรรมในที่นี้คือกรรมชั่วนะฮะไม่ใช่กรรมดีนะหมายความมาท้าบเขาประสบกรรมชั่วคือเขาประสบกรรมดีเรามมติตาแล้วแต่ก็ประสบกรรมชั่วเนี่ยเราทำยังไงซึ่งตามปกติมนุษย์เรานั้นมีความรู้สึกผูกพันคนอย่างแรงที่มีตัวตนเราในสองกลุ่มคือคนที่เรารักกับเราชัง ถ้าคนเราชังประสบกรรมชั่วเราจะเกิดทุกข์เห็นไหมเราจะเกิดความทุกข์แต่ถ้าคนที่เราไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราชอบคนที่เราชอบประสบกรรมชั่วเราจะเกิดความทุกข์แต่คนที่เราชังประสบกรรมชั่วเราจะเกิดความมันคือสะใจรู้สึกดีใจมันมันเกิดอะไรความมันความสะใจนั้นคือกิเลส ความทุกข์นั้นก็คือทุกข์อันหนึ่งเป็นกิเลสก็คือสมุทยัยอันหนึ่งเป็นทุกข์ก็คือทุกข์ก็แสดงว่าปฏิบัติธรรมะไม่เป็นปฏิบัติธรรมะแล้วเกิดทุกข์ทั้งสองทางก็เหมือนกับเราเมตตาเราเมตตาไม่ได้แต่เรกากราบไปโกรธเป็นพยาบาทก็แสดงว่าเราใช้ธรรมะไม่เป็นแล้วมันก็ประทุส้ายใจเราเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทาใจให้มีอุเบกขา โดยพิจารณาว่าสัตว์ต่างๆมันเป็นไปตามกรรมอย่างที่เราสวดนี่แหละสวดปัญหาวห่าทํำไมได้ก็แล้วกันกรรมมันจะกรมีกรรมใดจะ ด, ดูเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าคนทําให้ได้พอเห็นใครกระทาชั่วแล้วไปซ้ําเติมเขาไปกระทืบเขานะขอโดยสารทําชั่วด้วยเธอทําชั่วแล้วฉันขอทําชั่วด้วยไม่มีคําสอนในาศาสนาคุณพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้มองด้วยอุเบกขา นอกวิสัยเราไปทำอะไรไม่ได้เราทุกก็แก้ปัญหาไม่ได้เราสะใจก็เสิ่เพิ่มปัญหาแก่เราเองที่ท่านบอกว่าไม่ยินดียินได้ในกรณีนั้นเราไม่ยินดียินร้ายถ้าเขาได้ดีเราก็ยินดีคือมุติตานะถ้าเขาประสบความทุกข์ไม่ใช่เรื่องของผลกรรมนะไม่ใช่เรื่องของผลกรรมไม่ใช่เรื่องไปไปประกอบความผิดมาเนี่ย เห็นเขาหกล้มเขาตกลงไปในหลุมในบอ่ออะไรก็ไรอันนั้นคือการุณาะไม่ใช่อุเบกขานะฮะอันนั้นคือการุณาะเพราะว่าพรหมิหารตรงนี้เป็นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งที่โลกมันเดือร้อนวุ่นวายเนี่ยเพราะเราขาดเรื่องพรหมิหารพระเจ้าทรงมองโลกมาตั้งแต่ตอนสัตว์รู้ใหม่ๆก็ทรงเปลง่งพระพุทธอุทานว่าอปยาปัชชังสุขังโลเกปนานภูเสุสันเจโม การไม่เบียดเบียนกันคือการสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นความสุขในโลกพรหมจรรย์ต่อประการต่อไปก็คืออริยมรรคชักชักจากเต็มที่ลนะนะขึ้นไปเต็มที่ละไอ้บคัคบิโองแปดประการก็คือสี่สมาธิปัญญาก็เรียกว่ามรรคพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์หมายความว่าถ้าเราปฏิบัติได้จากนี้จริงๆนะสะสมบูรณ์ก็คือจบพรหมจรรย์เป็นพระอาหารหันต์ เพราะว่าทําไปทํามาไม่ว่าอะไรก็ตามปฏิบัติมันก็อยู่ในอริยมรรคถ้าอริยมรรคสมบูรณ์ก็จบก็จบจบพรหมจรร์ก็ถือว่าจบพรหมจรรคแล้วข้อสุดท้ายท่านเรียกว่ า, าศาสนาพรหมจรรคมากามว่ามีทั้งปริยัติคือการศึกษามีทั้งการประพฤติปฏิบัติคือการปฏิบัติแล้วก็มีการสัมผัสผลหมดเลยกําหนดรู้ทุกกําหนดละสมุทยัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคอันนี้จบ มันคือพรอมจรรย์ท่านทั้งหลายเห็นว่าเราก็ไตยไปจากฐานเอาปรจจา ย, ยนามหมายในแต่ละวันเราก็พพรอาจารย์ได้อยู่แล้วคือยังยังเป็นห่วงว่ากระแสที่ต้องการเป็นภิกษุณีมาแรงมากตอนนี้สารยะธิดาก็มาเคลื่อนไหวแล้วก็แม่ชีที่ไต้หวันแจกซีไหลที่อยู่ที่อ็เอก็มาเคลื่อนไหวจะ สตาบนาภิกษุณีวงขึ้นมาถ้าจะสืบต่อจากมาญาณจริงๆเราทําได้นะฮะเราทําได้รัฐบาลรับรองแต่ถ้าให้พระในเทราวาวบวชให้เนีมันบวชไม่ได้และบวชก็ไม่เป็นภิกษุณีด้วยเพราะว่าการเป็นภิกษุณีนั้นภิกษุณีต้องบวชมาเองก่อนพระสงฆ์นั้นเป็นการสวดรับรองให้เท่านั้นเองพระสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวลําดับขั้นตอนครับต้นไม่ได้เกี่ยวเลย แล้วลงไปทำไม่ได้ด้วยไม่ใช่นาทีตัวเองเพราะงั้นถ้าเรามองว่าเราต้องการประพฤติพรมจรรย์จะเห็นว่าไม่ได้มีรูปแบบพรหมจรรย์ทั้งสิบข้อไม่ได้มีรูปแบบว่าเธอต้องบวชมันอยู่ที่การปฏิบัติมันอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาทางใจของเราเพราะในเนื้อหาประสูดเนี่ยพุธเจ้ารับสั่งว่าเป็นความสั้นๆเด็ยเพลอ ไปรับเอามาจะหาอยู่ตั้งนานนะอ่านอยู่หลายปีไปเจอในหนังสือในปกหนังสือท่านไม่บอกที่มาไว้ใค ร, รับมาสีห้าบรรทัดแต่ซึ่งมากเนี่ยอา่านแล้วคนลุกเลยดูก่อนพิสูจน์ตงหลายพระมจรรย์ในที่เราหลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อเรียกร้องคนให้มาเคารพนับถือ ไม่ใช่เพื่ออานิสงค์คือลาบสักการะและการสันเสริญตรงนี้ไม่ใช่เนื้อหาเราเห็นว่ามันไม่ใช่เนื้อหามันเป็นกามมคุณทั้งนั้นเลยเป็นกามคุณที่มีปัญหาทั้งนั้นเลยลาบสักการะก็เป็นกามคุณชื่อเสียงก็เป็นกามคุณการยกย่องสันเสริญก็เป็นกามคุณและเราก็ไม่ได้ประพฤติเพื่อจะต้องการเป็นเจ้าลทัทธิ หรือต้องการจะแก้ลักชิอะไรต้องการที่ใจคนทั้งหลายมายกจ้องเราเป็นอันเป็นนั่นเป็นนี่นเป็นโน้น่ะพราะอะไรทําทําไมจึงจึงจึงไม่เด่นตรงนั้นเพราะตรงนั้นที่จึงเพิ่มกิเลสเท่านั้นหรือท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเพิ่มกิเลสเพิ่มกิเลสมันก็เพิ่มทุกข์เพิ่มปัญหาขึ้นมาสารพันคนยิ่งมากเท่าไหร่มันก็มีปัญหามากขึ้นแต่นั้น นั่นคือการมองแนวของชีวิตพรหมจรรย์มองแนวชีวิตพรหมจรรย์อย่างที่เคยพูดกับในขั้ววิสานสูตรอันนี้นานเนะี่ยหลา ย, ยนะปีนะฮะถึงความคิดระดับพระปฏิเจกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองปัญหาต่างๆในแนวที่มีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนดังนั้นแล้วท่านใช้คำสุดท้ายลงเหมือนกันหมดเลยเอโกเจรขั้ววิสาณะับ คนเราเึงเขี้ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรกหมายความไม่กระทบกับใครอะนอนแรกเนี่ยไม่กระทบกับใครไม่ได้พูดกับลิ้นกับฟันอะไรนะฮะหมายความว่านอนแรกจะมีนอนเดียวไม่กระทบกับใครไม่กระทบกับทั้งอะไรกับใครใครเรนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความคิดระดับสูงสุดเราจะเห็นว่าลาบส ก, การะเพิ่มกิเลสนะฮะเป็นโปโนโปวิกา หมายความอยากได้อยากมีอยากเป็นเรื่อยไปเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดเนี่ยเราก็มีปัญหากับเรื่องตรงนี้การยกย่องสรรเสริญก็หีิกอะ่ะมันก็เกิดเป็นลักษณะทางอารมณ์มันไม่จะข้อยุติอะไรกัน ย, ยกย่องสรรเสริญเขาชอบเขาก็พูดจาเนี่ยเขาชังก็พูดจาเนียก็แล้วแต่ ก็ตกลงว่ามันไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นโลกกระทมพวกนี้เป็นโลกกระทำที่แท้พระมารรนี้ประพฤติปิประพฤติเพื่อสี่เรื่องใหญ่ใหญ่ไพรมากนะสี่เรื่องใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรล่ะเป็นเหตุเป็นอาการแล้วเป็นผลเป็นเหตุเป็นอาการเป็นผลที่จึงเรื่องเดียวกัน ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวสังวรคือการสํารวมระวังสํารวมระวังในเรื่องอะไรสำรวมระวังก็มีห้าห้าระวังนะห้าระวังสํารวมระวังระดับแรกก็คือระวังระดับศีลสังวรคือตามบทบัญญัติของศีลที่เราสมาถทานรักษาศีลอะไรก็สํารวมระวังรักษาศีลตรงนั้นเอาไว้ประการที่สองสำรวมระวังอินทรีย์ เวลาเห็นลูกฟังเสียงเป็นต้นในธทำอย่างไงอย่าให้เกิดกำหนัดเกิดขับเกลื่อนเกิดลุ่มหลงเกิด ม, มัวเมาไม่ได้ปฏิเสธการเห็นนะฮะคงคงคงค ง, คงปฏิเสธอะไรไม่ได้เราคงได้เห็นได้ยินได้สุดลมได้ลิ้มได้จับต้องแต่ว่าทํายังไงล่ะมันก็แก้ปัญหาที่ใจแก้ปัญหาที่ใจโดยรวมก็แก้ถามเรื่อง คือแก้ย้าให้ใจกำหนัดย้ายใจขัดเคืองย้ายใจลุ่มโดงย้ายใจประมาทเรืยใจหมมหมาแต่บางอย่างก็ทรงฝึกในแนวของการตั้งสติระลึกรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสักว่าไอ้สักว่าได้จริงทํายากนะพูดง่ายมันทํายากสักว่าเห็นสักว่าได้ยินเนี่ยสักว่าส่วนมากมันถึงใจได้ก่อนทุกทีใจมันรู้สึกยินดียินร้ายรู้สึกชอบรู้สึกชังได้ก่อนทุกที แต่ว่าก็อย่าให้ตกค้างเพราะงั้นแนวตรงนี้จึงเราพบว่าก็มีวิธีที่ท่งสอนในแนวต่อรองทมอย่างนี้ได้ไหมามอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไหมทอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ไหมว่ า, นานหนึ่งก็คืออย่ารับถ้าจำเป็นต้องรับละ่กะกะ็คล้ายๆกันเขาโยนไฟมาร้อนๆนะ่ะถ้าเราไม่รับเราก็ไม่ร้อนเลยแต่ทีนี้ถ้ารับละ่ะก็ต้องรีบทิ้ง อย่ากมไว้ถ้ากรรมไว้ล่ะถ้ากมไว้จะกำนานถ้ากรำไว้จะกำนานนานแลือถ้ากรรมไม่นานทํายังไงอย่าเอามาคิดอย่ า, อามาคิดมห้ความมา่นต่อรองอะ่ะเอาเอาตรงนี้ผ่านมาไดา้ด่านหนึ่งด่านสองด่านสามด่านมันทะลุมาได้ทุกด่านถ้าทะลุได้สองด่านเราก็ตายแต่ว่าถ้าสกัดไว้ทักด่านหนึ่งเนี่ยยังไงยังไงมันก็เจ็บตัวน้อยหน่อย มันคือแนวสอนในแนวต่อรองพระพุทธเจ้าท่านท่านไม่ได้เร็งบนเลิศว่าเธอต้องเปิดปุ๊บติดปับ๊บอ่ะชาวบ้านนี่ยไปเล็งพระให้เปิดปุ๊บติดปับ๊บล้วตัวเองก็ไม่เห็นเปิดปุ๊บติดปับ๊บคือคือคือคือจริงๆมันไม่มีการเปิดปุ๊บติดปับ๊บเพียงแต่ว่าทํำยังไงละ่ะให้มันเห็นะให้มันเห็นว่าทุกน้อยลงกิเลสลดลงช่วงระยะเวลาที่กิเลสกลุ่มรุมใจสมมติว่าตัวเนี้ยเคยโกรธมาตั้งสองวันสามวันเนี่ยลดลงมาสักสองวันได้ไหม ลดมาได้สองวันลดมาเหลือสักวันได้ไหมนะก็ลดเป็นชั่วโบงลงมาด้นี่คือแนวการปฏิบัติที่สรงสอนคือการระมัดระวังที่ใจแนวตรงนี้ที่จริงสอนหลายแนวแนวส่วนมากแล้วจะส่งสอนในแนวรูปธรรมสอนแนวเต่าแนวเต่าก็คือแนวหนึ่งหมายความว่าเก็บเก็บหัวเก็บขาเก็บหางเก็บไม่รับออกไม่ออกไปรับอะไร เหมือนเลยเหมือนกันแนวข้าห้องนอนแบบแนวเบกขานะฮะแนวเบกขาเสร็จภารกิจต่างๆก็คือคือนอนก็จบไม่รับรู้อารมณ์ข้างนอกแนวหนึ่งรับนะแต่ว่ามันก็เหมือนกันหน้าต่างหน้าต่างคือถ้าถ้าเปิดมากฝุ่นมันเยอะอินซะหน่อยเราก็มีทางรับอารมณ์อยู่หกทางห้าทางนะตีจิงตาหูจมูกลิ้นกายไอ้ใจมันตีจิงมันที่เก็บ ก็ให้ปิดทรงอุปมาเหมือนกับจับจับสัตว์ที่มันอยู่ในจอมปลวกตัวอย่างของพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ในป่าท่วนใหญก็อยู่ในป่าแล้ก็เทศเทศอยู่ในป่าก็ชี้ว่าจอมปลวกเนี่ยจอมปลวกในมีรูนี่สัตว์ไปข้าไปทางรูถ้าเธอต้องการจะจับสัตว์ตรงนี้เธอก็อุดรูอุดรูเสียถ้าห้ารูแล้วก็สัตว์มันจะออกในรูที่หกแล้วเธอก็จ้องจับอยู่ตรงนี้เห็นไหม ก, ก็ก็แนวให้ลมหายใจเข้าออก เราก็มาดูที่ลมหายใจเข้าอย่างอื่นเราไม่ดูสนใจมันก็ตั้งสติมาดูที่ลมอันนั้นก็คือวิธีจับสัตว์จับกิเลสตัวเองก็คือแนวสัมรวมนะแต่ว่าวิธีการวิธีการในทรงสอนก็ทรงสอนหลายแนวแนวหนึ่งมันปะทะอารมณ์แล้ว มหมายความอารมณ์เหล่านั้นก่อให้เกิดความรักความจงความยินดียินได้แล้วแต่ถ้าเรารู้อํานาจแก่อารมณ์ก็ด่ามาเราด่าไปก็โกรธมาเราโกรธไปกประหานมาประหารไปมันยุ่งกันใหญ่เลยมันก็ต้องใช้ความอดทนที่นี่แนวคิดเรื่องอดทนอีกคิดยังไงเราจะคิดยกตัวเราหนีจากเรื่องเหล่านั้นปูดไปสองภัยเบีย้ยหนึ่งเสียตเมืองทอง พิมเสนแรกเรื่องเอาทองไปรักกระเบื้องแต่เราอย่าพูดนะฮะพูดเดี๋ยวก็หาว่าด่าก็อีกคือเราคิดอย่างเงี้ยเราไม่เอาพิมเสนแรกเรื่องเราไม่เอาทองไปรักกระกระเบื้องขุดไปกับกกสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสียตำมึงทองบางทีตีตันยกกับว่าหมูกับราชสีนั้นยกตัวอย่างภาษาดิบุตรอดีตประวัติระษาดิบุตรภาษาดิบุตรในถูกพระโกกาลิกท่านท้าท่านท้าท่านท้ า, าเฉียงกัน พระโกกาลิกนั้นเป็นลูกน้องของพระเทวทัตพระสารีบุตรบอกท่านต้องการชนะก็นิมนต์กันเลยกันนะนิมนต์ในชนะไปเลยแล้วภิกษุก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังบอกแหมพระสารีบุตรนี่โดนพระโกกาลิกกุดท้าต่อยเลยนะไอ้ใใจะเล่นนะแ้าสมัยนั้นก็บูไม่เบาอย่างนะั้นเลนะพระสารีบุตรท่านท่านานั้ น, ท, น, ท, นท่านไม่ว่าด้วยท่านไม่ต่อสู้ด้วย พุเจ้าก็เล่าเรื่องหมูกระราชสีคือหมูมันเปื้อนสกรปรกเนี่ยมาทาราชสีชนราชตีต่อสู้กันนั่นสีเปล่าเอ้าถ้าคุณต้องการชนะคุณชนะไปกันแล้วกันยันยังยังไม่สู้ด้วยคือไม่อยากเปื่อนด้วยไม่อยากเปื่อนด้วยนั่นก็คือแนวขันติทีนี้บางบางทีมันก็มองในแนวว่ามันมีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นมีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นเช่นทงสอนพระปุณนะที่ไปเมืองสุนาปราันตะสุนาปราันตะก็เมืองสเสถ ERM ของของพม่าเนี่ยนะ พุทธเจ้าบอกคนนี kind of ้นะเขาดุนะคุณณะอย่ไปไหวเลยท่านบอกไปไหวพระพุทธเจ้าก็สร้างสถานการณ์สมมติขึ้นว่าสมมติเป็นอย่างนี้สมมุติเป็นอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้เธอคิดยังไงสมมติเอาไปถึงเขาด่านี่เธอคิดยังไงถ้านบอกก็ด่าก็ดีกว่าเขาคว้างด้วยก้อนดินถ้าเขาคว้างโดยก้อนดินเนี่เธอคิดยังไงก็ดีกว่าเขาตีโดยไม้พลองเออถ้าก็ตีโดยไม้พลองเนี่เธอจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาฟันโดยศัตร์ดาวุธถ้าเขาฟันโดยสัตร์ดาวุฒเนี่เธอจะคิดยังไง ก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายเออถ้าเขาฆ่าตายจะคิดยังไงก็ดีกว่าฆ่าตัวเองเห็นไหมฮะมันก็มีอะไรที่แรงกว่านั้นแต่ไม่เกิดกับเราถ้เาเกิดขนาดนั้นก็ถือว่าดีไปนี่ก็คือแนวคิดที่ให้เกิดการอดทนแลวที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคิดแนวกรรมคิดแนวกรรมมากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปนะเธอดามาเธอก็ตอนนี้เธอก็โกรธ ใจเธอก็เป็นมโนทุจริตแล้วปากเธอก็เป็นมิจีทุจริตแล้วอาการกรยายกายกันเธอก็ทุจริตแล้วฉันยังไม่ทุจริตสักอันหนึ่งอะจเรื่องอะไรฉันจะทุจริตตามเธอไปอยากด่าก็ด่าไปสินะก็คิดแบะคิดแบบไทยควายใครก็เข้าข้อคนนั้นแต่ละอย่างนั้นคือเสริมตัวขันติรักษาเฉพาะตัวเองอย่าลืมว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ได้สอนให้เราไปแก้ปัญหาแก่คนอื่น แกสอนแก้ปัญหาเฉพาะตัวการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การทำรรตีไร่ของแพ้นั้นสอนปัจเจกชนแต่ละคนเราไม่ไปละบาปคนอื่นได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละบาปให้ใครได้เราไม่มีสิทธิ์จะทําบุญให้ใครได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทํใใาททจทใจใครฟองใส่ได้เราก็บอกเขาเท่านั้นเองพนะระพุทธเจ้าเองก็ทรงสแสดงมัตฏะโคตก็บอกให้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องเป่ากระหม่อมเสกเอา เราก็มองในแง่ของกรรมมาเาทำกรรมยังไดไว้เขาก็เป็นเป็นเรื่องของเก่าไปแต่ละอย่างเนี่ยมันช่วยขันติเท่านั้นเพราะวิวธีขันตินี่ส่งสอนเยอะเพราะไงพราะอารมณ์เราอยู่กับอารมณ์โลกเราหนีโลกไม่ได้อะมันจะทำยังไงแต่ทีนี้ถ้าเราไหลไปตามกระแสอารมณ์เราก็ถูกฉุดลงตามไปเรื่อยเรื่เพราะนั้นต้องสอนว่าชีวิตประเสริฐมันก็ต้องอดทนต้องอดทนเอา ในอวารปาติโมกจึงขึ้นบทแรกนะฮะเราเราเราสังเกตอวารปาติโมกขึ้นบทแรกเลยขันติประบังตโปติติคาเลยความอดกัน้นกับความรุนทานเป็นดบบาเย่างกินนี้หมายความกระแทกมาจากข้างนอกทีนี้อารมณ์ที่กระแทกเราจะเห็นว่าอารมณ์อันตรายมากที่สุดที่ทนยากที่สุดก็คืออารมณ์ที่ยุให้โกรธกับยุให้รักยุให้โลภนะอารมณ์กระตุ้นราค่าโลภะโทสะ อารมณ์ที่ที่ที่ที่ที่ทนทานยากที่สุดแล้วต้องใช้ความหมดกลั้นอดผลมากที่สุดตอง น, นั้นการการต่อสู้กับอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าปัญหาทั้งหมดมันก็คือการการาแพ้กับอารมณ์รั ก, กอารมณ์ชังอี่พระเจ้าทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายอิทธิอารมณิธาอรมชัยช้ยชัยชัยสองคำอย่างเงี้ยนะเพราะอารมณ์หลงจริงๆเนี่ยถ้ามันหลงเฉยเฉมันมันมั น, ม, นมันเหมือนอะไร เย็นงที่เคยเล่าให้ฟังนะว่ามันคั่วมันคั่วคล้ายๆกับเส้นสองเส้นเนี่ยมันลากมาถึงกับเส้นนี้มันมันมันมันจบกันอยู่คนละด้านเส้นหนึ่งเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ท่านไม่ยินดียินร้ายเลยเส้นหนึ่งบ้าไม่ยินดียินร้ายเหมือนกันนะคนบ้ายินดียินร้ายเหมือนกันไม่รู้หนาวรู้ร้อนไม่รู้อะไรเลยนะฮะนั่นคือหลงเห็นไหมหลงเนี่ยมันเป็นมันขาดสติไปเลย เพะคนที่มีปัญหาก็คือสติมีบ้างไม่มีบ้างนะถ้าสติสติไม่มีไปเลยก็จบไปสติสมบูรณ์ก็จบไปคนที่มีปัญหาคืออย่างเราๆเนี่ยสติเราก็มีบ้างไม่มีบ้างนะคือมีก็มีนะเพียงแต่ว่ามีพอใช้บ้างมีไม่พอใช้บ้างตรงนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาในกรณีที่ไม่มีพอใช้แต่ถ้าบ้าไปเลยมันก็จบนะเป็นประหารไปเลยก็จบก็จบอยู่สองขั้ว นั่นก็คือแนวของสองบอในลักษณะของเรียกว่ากันติสองบอดมีอย่างหนึ่งก็คือสติใช้สติเป็นตัวระลึกเป็นตัวปิดกั้นกระแสอารมณ์ระลึกทันและตัดตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นอีกหนึ่งคือปัญญาหรือญาณตัวความรู้ลักษณะของญาณเนี่ยหมายความมันมันมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับน้าที่สะอาดมันเหมือนกับแสงสว่างมันเหมือนกับความเย็น พอพอสิ่งตรงกันข้ามมาถึงมันก็สลายเจ็ดว่นน้ำสะอาดพอสิ่งสกปรกลงไปมันก็สลายแสงสว่างพอไปเจอความมืดปั๊บมันก็ขจัดมืดเป็นลักษณะสลายนี่คือลักษณะของสังวรเราจะเห็นว่าสังวรแต่ละอย่างนั้นไม่ว่าระดับใดก็ต า, ามที่จริงอิงทั้งทั้งทั้งห้าอย่างนั่นนะครับ แต่ถ้าได้ได้ระดับสติสังวรกับญาณสังวรมก็เยี่ยมคือหมายความว่าจะคุ้มครองตรงอื่นได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการการมีสติญาณก็คือปัญญานะฮะญาณญาณก็คือปัญญาคือสัมประชัญญะคืออะไรแต่อะไรพวกปัญญาทั้งหลายนะี่ยมันทําหน้าที่ขจัดโมหะอกิเลสทั้งหลายมันมาจากโมหะเมื่อเรามีธรรมะขจัดโมหะได้กิเลสอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดอ่ะ แนวที่สองนั้นทรงใช้คำว่าปหานะปะานะนันก็คือละคือลดนะคือลถคือละคือบันเทาคือดับ แ, แล้วแต่ตอนนี้ทรงทรงใช้คำว่าปานะก็มีลักษณะทั้งบันเทาบางทีก็ลดนะฮะลดลงไปเรื่อยเรื่อยเพิ่ม เพิ่มปริมาณธรรมะขึ้นไปก็ลดปริมาณกิเลสลงมาลดปริมาณความทุกข์ลงมาลดเพิ่มปริมาณความสุขขึ้นไปก็เรียกวาปานะปะานะก็เป็นการลดเฉพาะพวกกิเลสหมายความอะไรเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของปานะก็พยายามลดกลัวให้น้อยลงโลภไปน้อยลงริษยาให้น้อยลงแข็งดีให้น้อยลงไอ้เรื่องตรงตรงนี้นะคือทำยังไงว่ามีมโนสติได้ คื อ, อยังนึกไม่ออกบางคนแก่ยุแล้วไม่กี่วันจะตายแล้วทะเลาะอะไรกันนักนะมันจะแย่งอะไรกันมันทะเลาะกันทำไมมันไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงว่าทะเลาะกันทำอะไรมาาศัยโลกชั่วคราวทำตัวเป็นเจ้าโลกแล้ววนุท้ายก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าโลกนี้ก็ทิ้งโลกนี้ไปทางนั้นเลยทำไมจะต้องไปทะเลาะทำไมจะต้องวิวาทาไมจะต้องสร้างบาปกรรม เดี๋ยวก็ทิ้งปัญหาต่างๆไว้ในโลกดังนั้นท่านๆยังเห็นว่ามรนสตินี้จะช่วยมากถ้าเราคิดถึงความตายแล้วเนี่ยนะเฮ้ยไม่กี่วันก็ตายแล้วเนี่ยยังมายังนึกว่าความคิดคนเก่าคนเก่าๆที่ท่านคิดถึงพระนุ่งเนฮะ้ฉันไม่กี่ผืนพระนุ่งแล้วเอ้ฉันอยู่ไม่กี่ผืนพระนุง่งเนี้ยแกพูดง่ายๆอย่างนั้นนะี่ยนะแต่คาเนี่ยมันดีมากเลยฉันอยู่ไม่กี่ผืนพระนุ่งแล้วสนใจ มันส ง, งบส ง, งบใจได้อย่างที่ท่านสารนัสพลแจ่มท่านแต่งไว้เนรรว้อท่านทำเดี๋ยวคิดถึงความตายสบายนักปัญหารักหักหลงในสงสารบันด้อมมืดโมหันอันตรการทําให้หา่านหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจตอนการละเนี่ยก็คือละละระดับศีลนี่นะฮะคือการงดเว้นบาปองดเว้นบาปพูดง่ายงดเว้นบาปต่ละได้ขนาดไหนละ่ะละได้ชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ละเลย ละได้นานขึ้นแล้วก็ละได้ตลอดไปละได้ตลอดไปก็ว่ากันเป็นจุดๆก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามีการลดละกิเลสให้เจือจางบาบางลงไปเพื่อปหานะตรงนี้เป็นเหตุนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นธรรมะภาคประเด็นแล้วก็เพื่อวิราคะาวิราคะาคืออาการอาการที่ภายในจิตให้ดูตรงนี้ว่าวิราคะ คือความคลายกำหนัดหมายความคลายกำหนัดลงคลายขัดเครืองลงขัดเครืองน้อยลงกําหนัดน้อยลงโลภน้อยลงนะะโกรธน้อยลงหลงน้อยลงประมาทน้อยลงดูที่จางไปคลายไปบันเทาไปแนวที่ทรงอุปมาเหมือนกันซักผ้าเหมือนการขัดผาชนะเหมือนการถูพื้นเหมือนทาอะไรอะ่ะมันต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงซักผ้าตั้งนานแล้วผ้าสะอาดหรือเปล่า เลยทรงอุปมาขัดพาชนะทองเหลืองเนี่ยมาว่าสวยดีคือเป็นเห็นชัดมากเลยนั่งขัดนี่ขัดขัดไปขัดพาชนะทองเหลืองขัดแล้วดูนะสมมติว่าขัดขัดขัดขัดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูขัดแล้วก็ดูขัดแล้วก็ดูใครดูเราดูเห็นไหมใครขัดคนนั้นดูาลใจเราก็เหมือนกับพาชนะทองเหลืองที่มันมีสนิมสนิมใจก็คืออะไรก็คือนิวรณ์คือนิวรณ์เราก็ขัด ขัดก็เห็นว่าแหมมันขัดแล้วมากมันก็ต้องต้องแตอนี้มันก็ลดลงไปบ้างไงนะฮะยังน้อยเรื่องค่วงเวลาเช่น<ม> จ, จะเคยโกรธปลูกพยาบาทอยู่นานเป็นปีเลยมันก็ลดลงไปได้ลืมไปบ้างปล่อยเขาไปสั่งเขาเถอะอะไรเนี่ยคือการการการเห็นว่ามันจางไปคลายไปวิราคะนั้นเป็นผลท่านทั้งหลายเห็นว่า ทำไมเราพุทธเจา้าใช้กิเลสสายโลภะมากเห็นไหมเราเราจะเห็นว่าดับตัณหาดับราคะดับโลภะเนี่ยจะใช้กิเลสสายเนี่ยมากจริงจริงกิเลสเนี่ยมันต่อกันไปมาความถ้ากิเลสอย่างหนึ่งดับแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็ดับนะฮะอย่างหนึ่งก็ดับให้ลองสังเกตว่าคนนี้เราไม่อยากได้ของของเขาเราไม่โกรธเขา อ, อะแม้เขาจะหยิบของมาเราไปเราก็ไม่โกรธ ว่าเราไม่ตาเขาก็แสดงว่าเมื่อเราละความโกรธคนนี้ได้เราก็ละความโลภได้แล้วก็ละความหลงได้กิเลสมันถึงกันทีนี้ถ้าเกิดโลภตรงนี้แล้วก็เกิดโกรธตรงนี้เช่นสมมุติเราอยากได้ของของคนนี้แล้วเขาก็ไม่ยอมให้เราก็เกิดเกิดโกรธเขาอะขอหน่อยเดียวไม่ให้อะเกิดโกรธแต่ถ้าเราไม่โลภอยากได้ของเขาเราก็ไม่เกิดโกรธเขา นั่นคือชีวิตจริงๆพระงนั้นพระเจ้าก็สอนในแนวของวิราคะวิราโคเสตุธรรมานังนะฮะวิราคะที่จริงแล้วถ้าอยู่เดียวๆเป็นตัวนิพพานเลยแต่ตรงนี้ไม่อยู่เดียวนะฮไม่ไม่อยู่เดียวมันเป็นอากาศคือแสดงถึงความเป็นอากาศว่ามีความเปลี่ยนแปลงกิเลสมันลดลงไปโลภะลดลงไปราคะลดลงไปซึ่งหมายความยังไงว่าความโทสะก็ลดลงไปโมหะก็ลดลง จนถึงหมดนะฮะจนถึงหมดก็เป็นอาการปรากฏแก่จิตอาการที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลนั้นแล้วใครก็เห็นใครก็รู้ใครก็สัมผัสก็คือสันติติโกเห็นนะฮะข้าธรรมกุลสันทิติโกคือเห็นได้โดยใจตัวเองแล้วก็ปัจจิตมมังอิริโบหิวินญูชนรู้ได้เฉพาะใจเฉพาะตนเองวิราคะจนขนาดไหนละ่ะสำรวมละจนเป็นอาการทางจิต กิจคือวิราคะมันก็ลดกิเลสแล้วเป็นอะไรเป็นนิโรธะนิโรธาก็คือดับดับอะไรก็คือดับกิเลสหมายความว่าแทนที่จะละเป็นชั่วครั้งชั่วคราวมันดับไปเลยดับก็กลายเป็นการตัดขาดตัดขาดอย่างสิ้นเชิงไอ้ตัดขาดอย่างสินงงส้นเชิงก็อีกแหละหมายความว่าบางทีก็เป็นจุดจุดนะบางทีก็เป็นจุดจุดทีนี้พิสูจน์ได้ยังไงว่าสิ้นเชิงหรือไม่สิ้นเชิง มันก็ดูผลกระทบเมื่อถูกกระตุ้นนะเช่นสมมติว่าท่านเคยสูบบุหรี่แล้วท่านก็เลิกสูบบุหรี่ได้ต่อมาไปเจอบุหรี่ <Yeah. S 2> เพื่อนชวนบุหรี่เพื่อนชวนสูบบุหรี่ <Yeah. S 2> เพื่อนให้บุหรี่แล้วไปเจอกับคนสูบบุหรี่เนี่ยตรงนี้ต้องมองนะฮะต้องมองหลายอย่างหนึ่งว่าเรารู้สึกต่อบุหรี่ยัง ไ, ง อ, ไองอยากสูบไหมถ้ายังอยากสูบแสดงว่ายังไม่ดับ ยังไม่ดับจริงทีนี้ในในในคนสูบเนี่เรารู้สึกยังไงคนสูบเรารู้สึกโกรธไหมถ้ารู้สึกโกรธก็ผิดละคนสูบบุรีเราต้องรู้สึกสงสารเขาที่เขายังตกเป็นทาสของบุรีสมัครตัวบุรีเราไม่โลภไม่อยากสูบทีนี้สมับรควันบุรีนะสมับรควันบุรีเนี่ยที่ว่าเพื่อนสูบบุรีพวกควันใส่หน้าเลย ถามมเราโรกโรธคนหรือเปล่าเห็นไหมเราโรกโรธคนหรือเปล่าถ้าเรายังโกรธคนก็แสดงว่าเราอย่างไม่ดับอย่างไม่ดับตรงนี้คือกลายเป็นตัวพิสูจน์ละเป็นตัวพิสูจน์จิตเราว่าดับจริงหรือเปล่านะแล้วก็ความกาหนัดรือความพอใจในสิ่งเหล่านี้มันหมดไปหลือเปล่ามันไปเจอไปเจ อ, ไปเจอตัวคนคนที่กำลังส่บุรีไปเจอกัะตัวบุรี ไปเจอกับควันบุหรี่ตกลงว่าสามสามอย่างคนสูบบุหรี่เราต้องเกิดการุณาตัวบุหรี่เราต้องเกิดความไม่อยากไม่อยากสูบแต่ไม่ใช่แสดงรังเกียจนะฮะไม่อยากนั้นคือลดลดโลภะถ้าแสดงรังเกียจมันเพิ่มโทสะมันเป็นไปไม่ได้ต้องไม่แสดงรังเกียจ ด, ด้วยแล้วพอเขาสูบล้วก็ไม่กดเขา ความรู้สึกยังคงสงสารเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่แสดงอาการอังเกียจเราแสแดงอาการอังเกียจก็หมายความว่าเราเรายังมีปฏิฆะเรามีปฏิฆะคือความไม่พอใจในคนที่สูงนั่นก็สแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ดับจริงดับได้จริงๆเฉพาะพการณีบุรีนะฮะทีนี้กรณีเล่ากนนีอะไรก็เหมือนกันตรงนี้อย่างที่เคยบอกไว้นี่ว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเราก็ดับได้แต่ว่ามันไปปูดตรงอื่นมันเหมือนกับเรารักษาโรคหายตรงนี้จริงแต่ว่ามีโรคแทรกซ้อนแล้วไปเกิดโรคตรงอื่นซึ่งบางทีมันแรงกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ถือว่าได้ผลจากการปฏิบัติได้ผลจากการรักษาโรคนะฮะบางคนป่วยคงต้องนอดอย่างนั้นแหละแต่ว่านอนคนละโรคกันนนั่นเองดังนั้นท่านท่าน ท่านจึงบอกว่าเป็นอกุปเมวิมุตติคือหลุดพ้นโดยไม่กำเริบไม่กำเริบห ม, มายความยังไงมันก็หมายความว่าคุณของพระ อ, อรหันต์ที่ท่านใช้กำว่าไกลนะฮะชาคำว่าไกลหมายความว่าถ้าก็เห็นรูปฟังเสียงดมกิน่นดมรถเช่นเดียวกับเราเพียงแต่ว่าท่านใจท่านไม่ยินดีไม่ยินรายในสิ่งดรงนั้นก็ก็ผ่านไป ได้กลิ่นได้อะไรแต่อะไรเหมือนกับเราหมดเลยนะฮะแต่ว่าไม่ยินดียินรายแต่นั้นเองนั่นก็คือลักษณะของนิโรธะนิโรธะที่บางเรื่องบางตอนนะบางเรื่องบางตอนก็ได้หรือว่าสมบูรณ์ก็ได้ที่ประเด็นสําคัญอย่างยิ่งว่าโลกนี่มันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเพราะฉะั้นอาการของนิโรธะที่เรียว่าดับทุกเนี่ย มันจะต้องมีความรู้สึกตัวสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะต้องรู้สึกเมตตากรุณาถ้ารู้สึกอย่างอื่นก็แสดงว่ายังไม่ดาวกิเลสต้องมีเมตตากรุณาเท่านั้นเองแล้วจนเป็นกรุณาที่เสมอซึ่งึงที่จริงทำยา ก, ก น, นะกรุณาเสมอมันต้องระดับพระอระหรันต์ อย่างที่พุทธเจ้าทรงมีพระทัยเสมอต่อคนซึ่งมุ่งร้ายต่อพระองค์และแม้แต่กับปาราหุนพระทัยก็เสมอกอ้ น, นั้นสุดยอดละแต่สรุปว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้สึกเมตตากรุณาต่ อ, อคนอื่นแล้วก็พร้อมที่จะมุทินะฮะพร้อมที่จะเบกขาด้วยไม่ใช่ว่าเมตตาอย่างเดียวเมตตาอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเมตตาอย่างเดียวแล้วมันมันอาจจะเป็นฉันทากติได้ตรมะมันล้น ธรรมะใช้มากก็ไม่ได้นะฮะธรรมะต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือกลางถ้าถ้าเกินไปไม่ใช่ธรรมะแล้วเหมือนเราน้ำใส่แก้วเนะี่ยถ้าล้นแก้วบางก็ไม่ใช่น้ําในแก้วแล้วก็ล้นไปใช้แล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นคำว่านิโรธจึงเป็นบทพิสูจน์จิตเว่าเป็นผลของพรหมจรรย์จริงๆมาตั้งแต่โนโยบมาเลยมันตั้งแต่ฐานเลยอนะ่ ตั้งแต่ทานลักษณะของนิโรธาทานก็หมายความว่าเราให้ทานไปแล้วเนี่ยเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราให้แล้วพขาไปทําอะไรเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเดือดร้อนอ่ะไม่ต้องไปเดือดร้อนสิ่งที่เราทําเราได้ทําแล้วแล้วคนอื่นเขาไปทายังไงเป็นเรื่องของเก่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรใจเราไม่ฟูไ ม, ฟไม่แฟบเพราะการกระทําของบุคคลอื่นนั้นแสดงถึงาอาการของนิโรธาคืคอการดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์ มันก่อให้เกิดการปร่งเบาสบายแล้วไม่ผูกพันกับคนอื่นไม่ผูกพันกันลาบกับยศกับสันเรินก็ชื่อเสียงไปไหนจะต้องมีคนห้อมล้อมมาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันมันมันไม่สงบอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสัมผัสตรงทางใจของบุคคลเหล่านั้นสำรวมระวังที่ใจละที่ใจนะฮะแล้วก็จางไปคลายไปชี้ใจโลพโทสะมหะมันจางไปคลายไปชี้ใจ และจนถึงดับได้เป็นจุดๆแล้วก็ดับปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าจริงแล้วเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องถึงกันทั้งหมดแม้องค์คมจะมากมายยังไงก็ตามนะฮะในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเขาก็ต่อเนื่องกันอาจจะเริ่มจากทานเพียงอย่างเดียวมันก็ไต่ามาเป็นอภัยทานมาเป็นธรรมทานอะไรเนี่ยบางทีก็ส่งสอนในแนวเดียว แต่ว่าทั้งหมดเราจะเห็นถึงการสํารวจระวังเห็นถึงการละเห็นถึงการจางไปคลายไปขรังกีเดชและเห็นถึงความสงบเย็นซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกําลังการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสําคัญสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูนในธรรมจงมีแต่ท่านสระชาชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านท่าน